เมื่อคนไม่รู้ทันความจริงของธรรมะเขาก็นำทุกข์ในธรรมชาติมาสร้างให้เป็นทุกข์ของตัวเองสำหรับทุกขังในไตรลักษณ์นี้เรามักมองคำว่าทุกข์เป็นความเจ็บปวดเสียที่จริงทุกข์เป็นสภาพตามธรรมดาของสิ่งทั้งหลายหรือเป็นสภาวะตามธรรมชาติคืออาการที่สิ่งทั้งหลาย ไม่สามารถคงอยู่ในสภาพเดิมบางทีปลาในภาษาอังกฤษว่า stress หรือ conflict คือภาวะที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยหรือองค์ประกอบต่างๆที่เกิดดับบีบขั้นขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลาแล้วทุกข์ก็เป็นภาพรวมที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเหล่านั้นสิ่งทั้งหลายเป็นองค์รวม ที่เกิดจากองค์ประกอบต่างๆมาประชุมกันเมื่อองค์ประกอบแต่ละอย่างเกิดขึ้นดับไปเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาองค์รวมนั้นจึงไม่สามารถคงสภาพเดิมอยู่ได้เพราะเมื่อองค์ประกอบแต่ละอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไปก็จะเกิดการขัดแย้งกันเป็นความกดดันภายในแล้วก็จะต้องคงอยู่ไม่ได้ สภาพที่ขัดแย้งฝืนกดดันคงอยู่ไม่ได้ทั้งหมดนี้เรียกว่าทุกข์ซึ่งเป็นสภาวะธรรมชาติในสิ่งทั้งหลายเมื่อเราใช้ศัพท์นี้กับภาวะในใจคนก็จะมีความหมายว่าเป็นภาวะที่จิตถูกกดดันบีบคั้นก็คืออันเดียวกันจะเห็นว่าทุกข์ที่มีอยู่ในธรรมชาติในสิ่งทั้งหลายนี้ ก็มีความหมายหนึ่งคล้ายๆกับทุก์ในใจของเราทุกในใจของเร า, ก, ใใเราก็คือภาวะที่ถูกบีบคั้นกดดันขัดแยง้งไม่สบายทนไม่ไหวทีนี้ในสิ่งทั้งหลายทุกก็คือภาวะที่จะต้องพันแปร ى, เปลี่ยนแปลงไปเกิดความขัดแยง้งกดดันทนอยู่ไม่ได้ ส่วนอนัตตาก็อย่างที่พูดไปแล้วว่าคือดำรงอยู่หรือเป็นไปตามสภาวะของมันอย่างนั้นอย่างนั้นซึ่งใครจะไปยึดถือยึดครองเป็นตัวของตัวอย่างใดไม่ได้จริงถ้าเป็นสังขารก็เป็นเพียงภาพรวมของปรากฏการแห่งกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงมิใช่เป็นตัวตนที่ยังยืนมั่นคงอยู่อย่างนั้นตลอดไป เรื่องนี้ก็ทํานองเดียวกับกฎทางวิทยาศาสตร์ซึ่งมีอยู่ตามธรรมดาในธรรมชาติไม่ว่าใครจะรู้หรือไม่ใครมีปัญญาสามารถก็ค้นพบแล้วก็เอามาบอกกันเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตานี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเป็นความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดาของมันไม่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าจะเกิดหรือไม่เกิดพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้มาค้นพบ เปิดเผยอธิบายวางเป็นระบบไว้ตรงนี้แหละที่มายงเข้ากับอริยศาสตร์คือเมื่อสิ่งทั้งหลายทั้งโลกรวมทั้งชีวิตของคนเรานี้เป็นธรรมชาติส่วนหนึ่งหนึ่งมันก็เป็นไปตามกฎธรรมชาตินี้ที่ว่ามีความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงทุกเวลามีความกดดันขัดแย้งภายในคงสภาพเดิมอยู่ไม่ได้และเป็นไปตามเหตุปัจจัย ปรากฏรูปลักษ์ไปต่างๆยักย้ายไปตามเหตุปัจจัยที่สัมพันธ์กันนั้นอย่างร่างกายของเรานี้ก็เปลี่ยนไปตอนเป็นเด็กหน้าตายอย่างหนึ่งอายุมาขึ้นมาก็เปลี่ยนไปอีกอย่างหนึ่งเมื่อสิ่งทั้งหลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามธรรมดาของมันอย่างนี้ก็มีคำถามว่ามนุษย์จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับมันอย่างไร คือจะปฏิบัติหรือสัมพันธ์กับธรรมชาติกับโลกกับชีวิตที่เป็นไปตามกฎธรรมชาตินั้นอย่างไรมนุษย์อาจจะสัมพันธ์กับมันด้วยอวิชชาตันหาอุปาทานอาวิชชาคือภาวะที่ขาดความรู้ความเข้าใจไม่รู้ทันความจริงของสิ่งนั้นๆตันหา คือความอยากความปรารถนาต่อสิ่งต่างๆโดยไม่รู้ทันความจริงของมันอุปาทานคือการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นให้เป็นอย่างที่ตัวต้องการเอาความปรารถนาของตนเป็นตัวกําหนดถ้ามนุษย์เข้าไปสัมพันธ์กับสิ่งทั้งหลายหรือพูดง่ายๆว่าสัมพันธ์กับโลกและชีวิตด้วยอวิชชาตันหาอุปาทาน ก็จะเกิดปัญหาขึ้นกับชีวิตของตัวเองทันทีทุกที่เป็นสภาพอยู่ในธรรมชาติตามธรรมดาของมันคือเป็นความขัดแย้งคงอยู่ไม่ได้ในสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนแปลงคืบเคลื่อนนั้นก็จะเกิดเป็นสภาวะที่กดดันขัดแย้งขึ้นในจิตใจของมนุษย์ตอนนี้ทุกในธรรมชาติที่มีอยู่ตามธรรมดากลายมาเป็นทุกปรุงแต่งในใจของเรา ที่จริงมันเป็นทุกข์อยู่ตามธรรมดาในธรรมชาติแต่เมื่อเราไปสัมพันธ์ปฏิบัติต่อมันไม่ถูกจึงเกิดเป็นทุกข์ในใจของเราขึ้นมาและเมื่อสืบค้นดูก็จะรู้ว่าอาวิชชาตันหาอุปาทานเป็นตัวกาหนดความสัมพันธ์ของเราในกรณีนี้ตัวนี้แหละที่ท่านว่าเป็นสมุ ท, ทยัยคือเหตุแห่งทุกข์ตอนนี้สมุทัยมาแล้ว สมุทัยนี้ถ้าตรัสแค่บทบาทหน้าโรงก็เอาตันหาเป็นตัวแสดงแต่ถ้าตรัสแบบเต็มโรงจะทรงยกเอาอาวิชชาเป็นตัวกำกับหลังโรงขอให้ดูเวลาตรัสว่าอะไรคือสมุทยัยพระพุทธเจ้าตรัสไว้สองแบบแบบที่หนึ่งตรัสว่าสมุทัยได้แก่ตันหาคืออธิบายง่ายๆสั้นๆว่า สิ่งทั้งหลายมันไม่เป็นไปตามใจอยากของคุณหรอกเมื่อคุณสัมพันธ์กับมันด้วยความอยากคุณก็ต้องเป็นทุกข์เองแต่เบื้องหลังตัญหาคือความอยากคือความตามใจตัวนี้ตัวการที่แท้ก็คือความไม่รู้เท่าทันความจริงซึ่งเป็นเงื่อนไขเปิดช่องให้ปัจจัยต่างๆเข้ามาหนุนกันในการที่จะให้ปัญหานั้นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้น ตึงตรัสแบบที่สองตึงตรัสแบบกระบวนการที่เริ่มต้นจากอาวิชาว่าอาวิชชาเป็นปัจจัยพื้นฐานของปัญหาหรือทุกข์สมุดไทยที่แท้จริงเป็นกระบวนธรรมะคือธรรมะประวัติตามกฎปฏิ จ, จสมุบาทว่าอาวิชชาปัจยาสังขาราซึ่งประมวลว่าทั้งหมดนี้คือสมุดไทยแห่งทุกข์ ตอนนี้จะเห็นได้ว่ากฎธรรมชาติมาสัมพันธ์กับมนุษย์แล้วตอนแรกพูดเริ่มจากกฎธรรมชาติก่อนว่าความจริงของธรรมชาติมันมีอยู่ตามธรรมดาของมันสิ่งทั้งหลายดำเนินไปตามกฎธรรมชาตินั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตอนนี้มาถึงคนคือในการที่คนเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้น ถ้าเกี่ยวข้องโดยมีอวิชชาตันหาอุปาทานเป็นตัวกำหนดก็จะเกิดปัญหามีทุกข์ขึ้นมาอันนี้คืออริยศัสตร์ข้อที่หนึ่งและข้อที่สองคือการสัมพันธ์กับสิ่งทั้งหลายซึ่งมีศักยภาพที่จะให้เกิดทุกข์ดยอวิชชาตันหาอุปาทานซึ่งเป็นสมุทยัยคือตัวเหตุแล้วก็เกิดทุกข์ในตัวคนขึ้นมา ก้าวจากทุกในสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาเป็นทุกข์ในใจของเรานี่คือวิธีพูดแบบย้อนกลับโดยอกฎธรรมชาติเป็นจุดเริ่มต้นโดยเริ่มที่สมุทยัยคือมนุษย์ไปสัมพันธ์กับสิ่งทั้งหลายไม่ถูกต้องโดยสัมพันธ์ด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทานก็เกิดเป็นทุกข์ขึ้นมา